บ <Book> <15. S 3> ุ๊กทูสิบห้าปฏิเสธนผลไม้และอาหารปันลูมร า, าริโอฮารมดิฉันมีสตรอเบอร์รี่นาวดะว่ากสตรอเบอรี่วุดด่นดิดิฉันมีกีวีและแตงโม หน้าวัดดาว่าก์กิวีมาริยูคาร์โบเจียพันดูนุนไนดีฉันมีส้มและกเกลฟฟรุตหน้าวัดดาว่าก์นารินจามาริยูพัมปาร์บันซาุนนดีฉันมีแอปเปลิลและมะม่วงหน้าวัดดวกแอปเปิลมาริยูว่าก์มามดีพันดูนุนไนดีฉันมีกล้วยและสับ ป, ประรดหน้าวั ด, ด บุกอะเรติพันดูมาริยูบุกอะอนาสัพันดูนายนูดีฉันกำลังทำสลัดผลไม้เนนูบุกอฟรูตสลัดแต่อร์จ์สตูนานูดีฉันกำลังทานขนมปังปิ้งเนนูโทสต์นั่ตตนตินตูนานูดีฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนยเนนู โตสตูนีเว้นนะัท ต, ตัวติตนนุ่ดีฉันกลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม น, นตสตีเวนน่ามารโตติุ่ น, นะ น, น, น, นดีฉันกำลังทานแซนวิชนเน้ น, นวนกนแซนวิชนี่ติ่นตุนนานุดีฉันกาลังทานแซนวิชทาเนยเทียมเน้นวซนวิช มาร์จอรีนตัวติดตัวนดิฉันกำลังทานแซนวิชทานเนยเทียมและใสมะเขือเทศน้น่กแซนวิชนี้มาร์จอรนมาริโอทัมเมตอลูกตัวติดตัวนาุเราต้องการขนมปังและข้าวมากุเบรดมาริโออันน้ำกาวาลเราต้องการปลาและสเต็กมากุ เจ๋ปัลลูมาริโอตาวเราต้องการพิซซาและสปาเกตตีมาูพมาสปาเกตตีาวเราต้องการอะไรอีกไหมมานากิิงเกมกาวลเราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุปซุปกรกูมานก แครอทมริโอทมมีโตลุคาวาลีซูเปอร์มาร์เกตอยู่ที่ไหนซูเปอร์มาร์เกตเอกกระดุมดีกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด